พยายมรู้สึกนะรู้สึกไว้อย่างหลวพ่อมาเทศที่นี่นะปีกว่าๆและนะกี่ครั้งและใครจำได้ต้องดูว่าซีดีมันแผ่นเท่าไหร่สิบแปดครั้งนะครั้งนี้สิบเก้าหรือเปล่ะครั้งนี้สิบแปดสิบแปดครั้งเนี่ยพวกเราจำนวนมากมีพัฒนาการที่น่าพอใจนะจำนวนมากเลยใจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว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 หลวงพ่อพุธนะ่ะท่านสั่งไว้บอกว่าอย่าทิ้งสาราลุงชินนะหลวงปู่เหรียนท่านก็พูดเหมือนกันหลวงพ่อก็ลูกหลานท่านนะก็ต้องรักษาปณิธานของพ่อแม่ครูอาจารย์ไว้มาที่นี่ทีแรกมาก็มาอย่างนั้นแหละนะมาเพราะครูบาอาจารย์สั่งไม่รู้จะมาทำไมเหมือนกันมาแล้วโอ้เห็นทีแรกก็ท้อใจนะมืดตือเลยนะทั้งทั้งที่หลอดไฟเยอะนะแต่มันมืด เพอดทนนะพวกเราก็อดทนฟังหลวงพ่อก็อดทนพูดไปเรื่อยด้วยความอดทนทั้งสองฝ่ายวันนี้ก็พอเข้าใจว่าทำไมครูบาอาจารย์ถึงสั่งให้มาสอนอยู่ที่นี่ไม่ให้ทิ้งเพราะที่นี่เป็นที่ที่บ่มเพราะผู้คนจำนวนมากขึ้นมาสร้างผู้ที่มีการเจริญสติขึ้นมาเป็นจานวนมากถ้าเรายังเจริญสติอยู่เ น, นี่ยมรคนิพพานไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะ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 กลับมาสักการหลวงพ่อคะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งครั้งแรกคะ่ะพูดดังๆหน่อยนะหลวงพ่อแก่แล้วผูไม่ค่อยได้ยินแล้ว <c oughs> ถามครั้งแรกคะ่ะ<อ> เ, เคยมาที่ศ า, ารานุชินแล้วก็ฟังซีดีค่ะก็จากนั้นก็ดูกายดูจิตตามไปเรื่อยๆจนมาวันนึงอะคะ่ะเข้าคือทํากิจวัตรประจําวันตามปกติคือแล้วก็รู้สึกแวบเดียวเลยคะ่ะว่ากายเนี่ยไม่มี แล้วก็ความสึกกลัวเข้ามา <Ừ. S 2> แว บ, บหนึ่งเหมือนกันแล้วก็หายไป <Ừ. S 2> ค่ะแล้วก็จากนั้นก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับออมนดาเนินชีวิตตามปกตินั่นแหล ะ, ะฝึกไปอย่างนี้นะฝึกไปอีกยังไม่พอคือแต่เดิมเนี่ยเราคิดว่าตัวเรามีอยู่อย่างแท้ จ, จริงกายนี้คือตัวเราจิตนี้คือตัวเราเราจะคิดอย่างนี้เราเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นเลยว่ากายกับจิตนี้เป็นตัวเราพอเราหัดเจริญสติจนใจมันมีสตินะระลึกรู้สภาวะได้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 ไม่รู้จะอยากได้อะไรไปเพื่ออะไรแล้วเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างบางคนจะรู้สึกหงงๆจับอะไรไม่ถูกนะจะว่ากลัวก็ไม่เชิงจะว่าเบื่อก็ไม่ใช่นะใจมันเวื้องว่างหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้รู้สึกวังเวงใจอะไรเงี้ยนะเมื่อสภาวะใดๆเกิดขึ้นให้รู้ทันลงไปอีกสภาวะนั้นก็จะดับอย่างเรากลัวขึ้นมาเราอยู่ๆบางคนยกมือขึ้นมาจะหวีผมเมื่อวานหรือวันสุ่ยก็มีคนเล่า ขยับมือจะหวีผมนะเห็นไอ้ตัวเนี้ไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นมันเป็นท่อนๆ น, นั่นคือเห็นอะไรเห็นรูปนั่นเองนะตาเห็นรูปแล้วตามองเห็นรูปตาไม่ใช่มองเห็นมือของเราแล้วเนี่ยสติปัญญามันชาแรกความรู้สึกว่าเป็นมือของเราออกไปมเหลือแต่รูปพอเห็นอย่างนี้ตกใจนี่เลยไม่ได้มักคผลกับเขาหรอกเพราะตกใจซะก่อนนะถ้าถ้ามีสติปัญญาต่อไปเออ่านี่สักว่ารูปนะธรรมชาติที่เห็น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 แต่ถ้าเราเพ่งนิ่งๆไม่หลงไปไหนเลยแต่นิ่งซึมกระเทืออยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีไตรลักษ์ให้ดูเงี่นดีขึ้นนะต้องมีอะไรแก้ไขอยก่ไหมคะหลวงพ่อไม่ไม่ต้องแก้นะเพียงแต่ว่าตอนนี้ใจมันยังบอบช้ามาจากการที่ถูกกดมานานอยู่รู้สึกไห ม, ามาแต่ก่อนกดอยู่เรื่อ ย, ยๆไม่รู้สึกว่าบอบช้านะพอเลิกกดเราถึงรู้ว่าช้ำไในไปหาใบบัวโบกกินนะไปมันบอบช้าอยู่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 เงี้ย ใ, ใจมันจะตื่นขึ้นมาเลยนะไม่ใช่จงใจไปรู้อย่างนี้นะรู้จงใจรู้จะทื่อๆนะรูรเ้เล่นๆไปรู้โปล่งๆขอบคุณค่ะกกค่ะกรมนสกาะหลวงพ่อค่ะค่ะสราบว่าวตัวเองเป็นคนมีโทสะจริตนะคะก็คือจะเป็นคนที่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 นะวัดไหนยุงชุมใช้กรรมฐานอย่างนี้ดนะีไล่ไปเรื่อยก็รู้สึกหอเ่ารู้สึกรู้สึกแต่ไม่ใช่เพ่งมือนะไม่ใช่เพ่งให้นิ่งๆอย่าไปติดเพ่งพวกเราผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดติดเพ่งนะมีพวกที่คุ้นๆกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อไล่ไล่ไล่จี้ไปเลยเลิกเพ่งนะตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่บวชนะเมื่อตั้งยี่สิบกว่าปีก่อน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 ากค่อยๆ ค, คลายความยึดถือลงไปเรื่อยๆขอบพระคุณค่ะนามัสการหลวงพ่อครับเดี๋ยวหลวงพ่อถามคุณก่อนจิตของคุณตอนนี้กับเมื่อหลายเดือนก่อนต่างกันยังไงบ้างาที่ผ่านมาเนี่ยหลายเดือนก่อนจิตค่อนข้างจะสงบแล้วก็เห็นความทุกข์ค่อนข้างมากครับแล้วระณบปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพจิตมีสงบ ก, กับ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 ขณะนี้อิสระไหมขณะนี้อิสระค <c oughs> ่ะขณะนี้เราเกินจริงอยู่นิดหนึ่งรู้สึกไหมค่ะ <c oughs> จิตใจของเราขณะนี้ก็จิตใ จ, จของเราตอนที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อหรือตอนอยู่บ้านเนี่ยไม่เหมือนกันรู้สึกไหมค่ะ <c oughs> กลับไปใช้จิตใจตอนที่อยู่บ้านค่ะนั่นตัวจริงของเราค่ <c oughs> นะตอนนี้เราเราเกินจริงเราทํา <c oughs> สํารวมเพราะเราตื่นเต้นใช่ไหมใช่ค่ะตื่นเต้นเราก็เลยสํารวมรู้สึกไหมเราสํารวมกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมจิตตอนนี้สว่างกว่าเมื่อกี้ทราบค่ะเออนะ เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราเลิกแกล้งสำรวมแล้ว <c oughs> เราปล่อยตัวจริงออกมานะ <c oughs> จิตโดยตัวของมันเองนะนะมันประพัดสอน <c oughs> ตัวจิตเองมันประพัศสอนนะแต่มันเศร้าหมองเพราะเราไปปรุงแต่งอะไรขึ้นมาต่างหากงั้นเราอย่าไปแกล้งทำอะไรขึ้นมา <c oughs> ปล่อยจิตตัวจริงให้มันทำงานออกมานะ <c oughs> มันจะเห็นเลยว่าตัวจิตเองนั้นมันประพัศสอนมันผ่องใสรู้สึกไหมมันใสขึ้นพอเราเลิกไปกดมัน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 ขอฟังเฉยๆตอนนี้พยายามฝึกค่ะฝึกไปนะฝึกไปอขอบคุณค่ะหลวงพ่อไม่ฟังไม่ได้หรือ <laughs> บางครั้งบางครั้งมันมันอยากรู้ อ, อ <laughs> มันอยากรู้ <laughs> ให้รู้ว่ามันอยากสิ <laughs> ขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะอย่างเวลา <laughs> ที่เราไปฟังสิ่งที่ไม่ดีนะฟังแล้วใจเรามัน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 ลูกขอโอกาสนะคะจะ ย, ยกไม่อย่างนี้ไม่ไม่ใช่ยกป้ายยกหม่ <c oughs> การมภนาการเจ้าค่ะลูกขอโอกาสสอบถามว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เดินทุกต้องต้อทำเล่นๆ น, นะอย่าจริงจังดูเล่นๆดูสบายๆดูแบบพอทคลายนะดูเล่นๆไปเรื่อยๆแล้วเราถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไปจริงจังมากไปมันจะนิ่งไปจริงจังลดลงนิดนึง เลดความจริงจังลงนิดหนึ่งเคร่งเครียดไปทําให้สบายกว่านี้อีกเอายิ้มก่อนยิ้มก่อน <S <S <S <S เห็นไหมยิ้มก็เป็นกรรมฐานนะเห็นไหมยืนเดินนั่งนอนมันกรรมฐานทั้งหมดแหละเนี่ยตอนนี้รู้สึกไหมใจผ่อนคลายกว่าเมื่อกี้เยนะใจผ่อนคลายเนี่ยให้ใจมันผ่อนคลายเงี้ยแล้วค่อยดูความเปลี่ยนแปลงเข้าไปเรื่อยๆถ้าเริ่มต้นอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเริ่มต้นก็จ้อง ไ, งไว้แข็งปอกไม่ดีค่อยฝึกไปใช้ได้อยู่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 พอใจเป็นกลางแล้วก็รู้สภาวะทั้งรูปประธรรมนา ม, มารมในกายในใจรู้ไปเรื่อยนะรู้ด้วยความเป็นกลางไปเรื่อยปัญญาก็จะเกิดเลย <c oughs> เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะ <c oughs> บังคับไม่ได้เห็นอย่างนี้ใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งหยุดความปรุงแต่งนะใจหมดจากความยินดีหมดจากความยินร้ายใจก็หมดความดิ้นรนปรุงแต่งนะพอใจหมดความปรุงแต่งเนี่ยนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นนะเกิดเองเลยนะจิตจะรวมเข้าอัปนาเองเลย